งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งของงานอื่นใดเท่าที่เดดผ่านมางานของจิตนี้ต้องไดใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกันขณะที่เรา พยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคุกรานแพ้มากกว่าชนะเ่อพู้ทุ่งดงความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่าตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้าง ยังดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางพันธิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นอันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิดออกอย่างละเอียดละออ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 ถ้าคิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจรึงเรียกว่า ง, งานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะได้รับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราในขนาดที่ สเสด็จออกทรงผนวชเบื้องตน้นพระรภินในเบื้องตน้นแม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสาด า, าสอนโลกก็าตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนั ก, กยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งทางตลอดหรือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทยัยพุทธิเดชาชวะทั้งปวง น, นี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด จากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัตว์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดธรรมปสาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติประฐานยิ่งกว่าเจ็บพียวเจ็บทิ์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 เสาเด็ดเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังส ญ, ญาติอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการถนวดของพระองค์สุท่าก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับหัวใจลอยไปเลย เสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใ ย, ยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกเจนกระทั่งการบําเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใ ย, ยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดดุพานา จ, จิตใจแต่พระองค์ก็สงฝืบเต็มพระสติ ก, กําลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้น นอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบําเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนพระทัยตั้งไว้ไม่ยกยศละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืน คิดดูตั้งแต่ขั้ น, นะเสด็จออกทรงพันหัวเบื้องตน้นจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้เป็นเวลาหกปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่ประองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่า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 มอนกันได้เวลานานๆตั้งสี่จิกว่าวันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่งการปฏิบัตินั้นผิดกันกันกบพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์จงอดภรกระยาหารไม่สวยเลยสี่สเก้าวันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียงทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลย แต่ที่พระท่านอดนี้ ท, นนท่านอดเกี่ยวกับเรื่อง จ, จิตใจคืออันนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้ทิเลืหรือเป็นการช่วยการแก้ทิเหลือในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการปลึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้งสี่คือยาบดยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็โรคเก่ยับทิเลื ทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยพ่ภายในใจเหตุใด จ, จะไม่รับความทุกข์ความระบาปความทรมานความทุกนี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จําเป็นต้องฝ่าศูนก้าเข้าไปสู่กองทุกนั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกในยาบททั้งสี่ทึ่งเป็นไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกนั้นใครจะไม่มี ความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งในตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกําหนดอนาปานนัสติแล้วจึงได้เบาพระไทยลงเรียกว่าเป็นคนลโลกอีกเช่นเดียวกันหรือพระไทยที่ เต็มพระโลหิตียดกักระพรอนนั้นได้กลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นดวงแล้วก็ น, นํามาถั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนําถั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความตนคนประชาชนก็ย่อมมีความต้นใจมากขึ้นโดยลําดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทาง จ, จิตใจ พอได้ยินจิดสัพยติคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นดำก็ยิ่งเกิดความชงใจมากขึ้นทึงจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากม า, กายก่าเกรนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนมามากมายเพียงไร นี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขพิเลต อ, อาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลําบากแห่งการประกอบความเา่เทีเยมนัทธยามที่จะหลุดพ้นออกจากอํานาจแห่งความกดทวงหรือข้อบางธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับภายในพระไทยของพระพุทธเจ้า มีความทุกข์ความลำบากก็ทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่า ธรรมะที่จะนํามาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทําความภาคเพลินให้ลําบากลําบนเช่นเดียวกับพระพุทธเจา้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมากุฎนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝุกผลทรมารให้ลําบากลาบนด้วยการเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทาทานหเสียะอะไรๆตลอดถึงไม่ต้อเวลากําลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทาง ที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดําเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระไทยได้แก่มัชจิมาปฏิปาทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปลเอาความเลยว่ามัชจิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุด ถ้าจะพูดเครื่องมือก็บรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชชิมาปฏิบัติจึงเรียกว่าเป็นถ้ำกลางสมุนหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแต่กิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชชิมาปฏิบัติเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากปัตติมัชชิมาโดยที่ให้เป็น เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจ ะ, จะยากจะง่ายจะลาบากยังไงก็เช่นเดียวกับเราถากถางท น, นทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบกุงดังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราทีปปากลงไปแล้วโดยถูกต้อง มีกุยหมายป้าทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทําไปตรงนี้เราก็ต้องทําแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะอันทะลุเข้าไปเช่นถ้าขุนต่างเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่นาะขนาดไหนลูกบุ้ลั ง, งเพียงไรก็ต้องถากต้องทางสูงต่ำก็ต้องขุดทําลายกันลงจนเป็นที่ราบลื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นเหมือนเลือกไม่ได้ การดำเนินปฏิบัติธรตามหลักธรรมี่พุท้าทรงสักษรอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่อาจในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเ้านั้นหนาจนมืดดำกรรมตาแต่จะให้มันสาเ ร, ร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกออกอย่างเท่านั้นได้แล้ว ศาสนาก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาสอนโล ก, กๆๆข้างหน้าใหม่พระพุทธเจ้าได้สถาปน์สมัยท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชชีมาปฏิปทาอิจีเลตของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปไสาไม้าทางต้นคนถากคนฟันคนตัดตึงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่ง มันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเคียนที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดรอให้เหมาะสมกับกิเลศประเภทนั้นมันก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสลับเป็นสลับตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับอ่าสู้กันไปนี่คือหลักมัจฉิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับบุ ผู้ปฏิบัติเป็นนายลายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทําให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาลายมันท่องแคล้วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้เดิมดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลังถางป่าป่าไม่มากไมลายนั้นมันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาแล้วจะไปทำให้ง่ายเหมือนดังป่าไม้บางๆมันก็เปลี่ยนไปในได้มันต้องหนักมือ นคนคนเดียวนั่นแหละพิเรศในนะขณะที่มันหนักมันยากมันยากจริงเราต้องได้ใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะนะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปีกตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงวาระถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตาย ปา่าช้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทาประโยชน์ทาไมจะกลัวตายการทำประโยชน์ไม่ใช่การทำความร้มรวยทิพไหกับตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากหนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไป ให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนทันว่าทุกข์ทำพีทุกข์กัมภีรสอนมาลงทุกข์ที่กายที่ใจของเราในครั้งนั้นกองทุกข์คืออะไระก็คือกองกายกดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกข์ขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเนี่ยกับกองทุกข์นั่นเองกำหนดดูลงทุกข์ที่ตรงนี้แยกแยะดูให้ดี แต่มันเห็นกระจกว่าทุกมันเป็นความจริงเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรแต่มันเห็นตรงที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเราั่ n และเป็นผู้ขอเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดรุกเสียงจริงรดเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ขอเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็น ยึดเอาถึ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าสึกแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าศึกอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความซ้ำัญมันหมายไปในทางที่ผิดข อ, องจิตนั่นแหละถึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นดดที่เดษที่ทันเดียกว่าสมุทัยเป็นของผิดทุกข์ควเมื่อเราค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้ว ด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลําดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นละ่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความปากความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้ที่เหล็กจะหมดไปทีนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุก ซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายอันนี้มันก็เห็นมีพิษมีสงเอนสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบําเพ็ญบรรตุเข้าเป็นดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่ก า, กากเมืองคือขันห้าในแต่ร่างกายอา้าวต่อไปเมื่อไหร่ก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตาย เรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่า น, นี้คือป่าชาของเราได้แก่ธาตุขันนี้เองนะอยู่ณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายจะชาวจะเรียกเป็นบุคลาภิษฐานว่าพยา ม, มัาจุราชมาเอาก็ให้ไปนี่จะกากเมืองความจริงพยา ม, มัาจุราชนั้นแปลว่าอะไร ก็คือความสลายของธาตุของฐันที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใดนี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี่แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตลองลองตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปอมอยู่ภายในนั้นเป็นสาเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอืง่นสิ่งจำปอมทั้งหลายนั้นถูกทำเออกแล้วด้วยสติปัญญา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 ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือตดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าธ ร, รมเสรีหรือธรรมเสรีอิตเสรี เป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทําอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึงถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มึงความสบายความปวดเวพื่อภาร ะ, ะอะไรที่ว่าลําบากระบุมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลําบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลําบากในการประกอบความเพียจรจึงไม่มีอะไรเสียหาย เป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลํา ด, ดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทานนี่เป็นความลําบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลาบากเฉยๆลาบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอิจฉาระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดําเนินหรือน่าทําเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความดุดพ้นจาก สิ่งโกรธ่วมภายในจิตใจใจเมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเรียกอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกกมีแต่ความสง่า ง, งานความสว่างสวยัยใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงนี่พลิกไปแล้วว่าใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้ว สียชื่อเพียงว่าติดปากก็พูดได้่าจจัยใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมกระสุิออกจากใจที่ประเ ส, ร, ะสริฐพอลุดพ้นจากสิ่งตำซามทั้งหลายนี่นมัชฌิมาธรรมในหลักธรรมชาติ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 จะไปวุ่นกับอนาคต้เสียเวลามเวลาอะไรนี่นี่คือคือความหมดตังวนถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปโน่นไปโน่นไปข้ามโลกคาสาันก้าวไปโน่นหมืนเขาไปขึ้นไปพระทิพระจันทร์นี่ <c oughs> ความจรงิงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเรื่องแล้วมันก็เป็นความเกษมเป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่น แต่คําว่าที่นั่นนี้หมายถึงจิตเท่านั้นเราเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจุดแห่งความรู้นั่นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดถ่วงหรือกดขี่บังคับมาเป็นกีกับปีกันจนนั้นไม่ได้แล้วมาสลัดตัวออกเสียจากความกดถ่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อ น, นั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่นหมายถึงที่อันนี้เอง เราตั้งเป็นสมมติขึ้นมาทำไมตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมุติพูดกันก็ไม่ทราบประกาจะหมายอะไรยังไงจึงทําเป็นกลุ่มหมายป้ายทางไว้โดยคาพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลําพังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทําอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูกคํารู้นี่แหละ ที่เรารู้อยู่เวลานี้ทว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจและมีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่อาภัพนั่นออกจากจิตจิตจินกลาเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมีความสามารถแล้วฉลาดสิ่งที่อาภัพออกไป ใจนี้กบกลารเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภาัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึ<ม>่ทว่าอาภาัพก็อยู่กับจิตทว่าประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพริกตัวออกเท่านั้นอ<ม>ันนี้การแสดงธรรมพอะเห็นสมควรอันนี้รู้สึกหน่อยหน่อย